สมิธิสูตรว่าด้วยเรื่องวิตกครั้งนั้นแลท่านพระสมิธิเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งนั่ที่สมควรท่านพระสารีบุตรเด็กกล่าวกับท่านพระสมิธิดังนี้ว่าท่านสมิธิสังกับปะวิตกวิตกอันเป็นความดำริของบุรุษมีอะไรเป็นอารมณ์เกิดขึ้นมีนามรูปเป็นอารมณ์ขอรับท่านสมิธิ สังค no The ับปะวิตกเหล่าน hmm? no. ั้นต่างกันที่ไหนที่ทาาขอรับท่านสมิธิสังคับปะวิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีผัสสะเป็นเหตุเกิดขอรับท่านสมิธิสังคับปะวิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นที่ประชุมมีเวทนาเป็นที่ประชุมขอรับท่านสมิธิสังกับปะวิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นประมุขมีสมาธิเป็นประมุขขอรับ ท่านสมิธิสังกับปะวิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นใหญ่มีสติเป็นใหญ่ขอรับท่านสมิธิสังกับปะวิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นยิ่งมีปัญญาเป็นยิ่งขอรับท่านสมิธิสังกับปะวิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นแกน่นมีวิมุตติเป็นแกน่นขอรับท่านสมิธิสังกับปะวิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นที่ยังลง มีนิพพานเป็นที่อย่างลงขอรับท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านสมิธิเมื่อเราถามท่านว่าท่านสมิธิสังกัปปวิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นอารมณ์เกิดขึ้นท่านก็ตอบว่ามีนามรูปเป็นอารมณ์ขอรับเมื่อเราถามท่านว่าท่านสมิธิสังกัปปวิตกเหล่านั้นต่างกันที่ไหนท่านก็ตอบว่าที่ธาตุขอรับ เมื่อเราถามท่านว่าท่านสมิธิสังกับปะวิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นเหตุเกิดท่านก็ตอบว่ามีผัสสะเป็นเหตุเกิดขอรับเมื่อเราถามท่านว่าท่านสมิธิสังกับปะวิตกเหล่านัน้นมีอะไรเป็นที่ประชุมท่านก็ตอบว่ามีเวทนาเป็นที่ประชุมขอรับเมื่อเราถามท่านว่าท่านสมิธิสังกับปะวิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นประมุข ท่านก็ตอบว่ามีสมาธิเป็นประมุขขอรับเมื่อเราถามท่านว่าท่านสมิธิสังกับปะวิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นใหญ่ท่านก็ตอบว่ามีสติเป็นใหญ่ขอรับเมื่อเราถามท่านว่าท่านสมิธิสังกับปะวิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นยิ่งท่านก็ตอบว่ามีปัญญาเป็นยิ่งขอรับเมื่อเราถามท่านว่าท่านสมิธิ สังกัปปวิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นแกนท่านก็ตอบว่ามีวิมุตติเป็นแกนขอรับเมื่อเราถามท่านว่าท่านสมิธิสังกัปปวิตกเหล่านั้นมีอะไรเป็นที่ยั่งลงท่านก็ตอบว่ามีนิพพานเป็นที่ยั่งลงขอรับดีละดีละท่านสมิธิดีจริงท่านสมิธิท่านถูกเราถามปัญหาแล้วก็แก้ได้ แต่ท่านยาธนงตนด้วยการแก้ปัญหานั้นสมิธิสูตรที่สจบ 5. คันทสูตรว่าด้วยฝีมีปากแผล9้าแห่งภิกษุทั้งหลาย ฝีที่เกิดมาได้หลายปีมีปากแผลที่ไม่แตกก้าแผลเป็นแดนไหลออกแห่งทุกสิ่งไหลออกแต่สิ่งที่ไม่สะอาดไหลออกแต่สิ่งที่มีกลิ่นเหม็นไหลออกแต่สิ่งที่น่ารังเกียจเป็นแดนไหลเข้าแห่งทุกสิ่งไหลเข้าแต่สิ่งที่ไม่สะอาดไหลเข้าแต่สิ่งที่มีกลิ่นเหม็นไหลเข้าแต่สิ่งที่น่ารังเกียจแม้ฉันใดภิษุทั้งหลายคาว่าฝี นี้เป็นชื่อของกายที่สาเร็จมาจากมหาภูตรูปสีนี้ที่มีมารดาปิดาเป็นแดนเกิดเติบโตมาด้วยข้าวสุกและขนมมีความไม่เที่ยงมีการไล้ทาบีบนวดแตกสลายและกระจายไปเป็นธรรมดากายนั้นมีปากแผลที่ไม่แตกก้าวแผลเป็นแดนไหลออกแห่งทุกสิ่งไหลออกแต่สิ่งที่ไม่สะอาดไหลออกแต่สิ่งที่มีกลิ่นเหม็น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 สัญญาเก้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงมากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดสัญญาเกประการอะไรบ้างคือ 1. อสุภสัญญากาหนดหมายความไม่งามแห่งกาย 2. โมรณะสัญญากําหนดหมายความตายที่จะต้องมาถึงเป็นธรรมดา 3. อาหาเรปฏิกูละสัญญา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 ประหานสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกตกและบาปทมทั้งหลาย 9. วิราคะสัญญากำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดปราณีตภิกษุทั้งหลายสัญญาเก้าประการ น, นี้แหลที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงมากยังลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นที่สุดสัญญาสูตรที่6จบ เจ็ดกูรละสูตรว่าด้วยตระกูลภิกษุทั้งหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค์9ประการภิกษุยังไม่เคยเข้าไปหาก็ไม่ควรเข้าไปหาหรือเข้าไปหาแล้วก็ไม่ควรนั่งใกล้องค์9ประการอะไรบ้างคือตระกูล 1. ต้อนรับด้วยความไม่เต็มใจ 2. ไหว้ด้วยความไม่เต็มใจ 3. ให้อาสนะด้วยความไม่เต็มใจ 4. ปกปิดของที่มีอยู่ 5. มีของมากแต่ถวายน้อย 6. มีของประณีตแต่ถวายของเศร้าหมอง 7. ถวายโดยไม่เคารพไม่ถวายโดยเคารพ 8. ไม่นั่งใกล้เพื่อฟังธรรม 9. ไม่ยินดีพาสิทธิของภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลาย ตระกูลที่ประกอบด้วยองค์เก้าประการนี้แหลภิกสุยังไม่เคยเข้าไปหาก็ไม่ควรเข้าไปหาหรือเข้าไปหาแล้วก็ไม่ควรนั่งใกล้ภิกสุทั้งหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค์เก้าประการภิกสุยังไม่เคยเข้าไปหาควรเข้าไปหาหรือเข้าไปหาแล้วควรนั่งใกล้องค์เก้าประการอะไรบ้างคือตระกูล 1. ต้อนรับด้วยความเต็มใจ 2. วงไหว้ด้วยความเต็มใจ 3. ให้อาสนะด้วยความเต็มใจ 4. ไม่ปกปิดของที่มีอยู่ 5. มีของมากก็ถวายมาก 6. มีของประณีตก็ถวายของประณีต 7. ถวายด้วยความเคารพไม่ถวายโดยไม่เคารพ 8. นั่งใกล้เพื่อฟังธรรม 9. ยินดีพาสิ์ของภิกษุนั้น ภิกษุทั้งหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค์9ก้าประการนี้แหลภิกษุยังไม่เคยเข้าไปหาควรเข้าไปหาหรือเข้าไปหาแล้วควรนั่งใกล้คุณละสูตรที่7จบ วางคุปโปสทสูตรว่าด้วยการรักษาอุโบสถที่มีองค์9ภิกษุทั้งหลายอุโบสถประกอบด้วยองค์9้าประการที่บุคคลอยู่จําแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากมีความรุ่งเรืองมากแผ่ไพศาลมากอุโบสถประกอบด้วยองค์9้าประการที่บุคคลอยู่จําแล้วย่อม accused, มีผลมากมีอนิสง์มากมีความรุ่งเรืองมากแผ่ไพศาลมาก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 อุโบสถประกอบด้วยองค์เก้าที่บุคคลอยู่จำแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงมากมีความรุ่งเรืองมากแาร่ภัยศาลมากเป็นอย่างนี้นวังคู่โปสถาสูตรที่8ดจบ 9. เทวตาสูตรว่าด้วยผลแห่งการต้อนรับของเทวดาภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไป เทวดาจำนวนมากมีวันนะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างไปทั่วพระเชตวันเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ไหว้เราแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบรรพชิตทั้งหลายเข้ามายังเรือนของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้เคยเป็นมนุษย์ข้าพระองค์เหล่านั้นได้ลุกรับแต่ไม่กราบไหว้ข้าพระองค์เหล่านั้นทาหน้าที่ยังไม่บริบูรณ์ มีความร้อนใจเดือดร้อนใจในภายหลังจึงเกิดในหมู่เทพชั้นต่ำเทวดาจำนวนมากอีกพวกหนึ่งเข้ามาหาเราแล้วกล่าวดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบรรพชิตทั้งหลายเข้ามายงเรือนของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้เคยเป็นมนุษย์ข้าพระองค์เหล่านั้นได้ลุกรับกราบไหว้แต่ไม่ให้อาสนะแก่บรรพชิตเหล่านั้นข้าพระองค์เหล่านั้นทําหน้าที่ยังไม่บริบูรณ์มีความร้อนใจ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 แบ่งปันของให้ตามความสามารถตามกำลังแต่ไม่นั่งใกล้เพื่อฟังธรรมนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมแต่ไม่เงี่ยสวดฟังธรรมเงี่ยสวดฟังธรรมแต่ฟังแล้วก็ไม่ทรงจำธรรมไว้ได้ฟังแล้วทรงจำธรรมไว้ได้แต่ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้ได้แต่หารู้อัดรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ ข้าพระองค์เหล่านั้นทำหน้าที่ยังไม่บริบูรณ์มีความร้อนใจเดือดร้อนใจในภายหลังจึงเกิดในหมู่เทพชั้นต่ำเทวดาจานวนมากอีกพวกหนึ่งเข้ามาหาเราแล้วกล่าวดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบรรพชิตทั้งหลายเข้ามายังเรือนของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้เคยเป็นมนุษย์ข้าพระองค์เหล่านั้นได้ลุกครับกราบไหว้ให้อาสนะแบ่งปันของให้ตามความสามารถตามกาลัง นั่งใกล้เพื่อฟังธรรมเงี่ยโสดฟังธรรมฟังแล้วทรงจำธรรมไว้ได้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้ได้และรู้อัดรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมข้าพระองค์เหล่านั้นทำหน้าที่บริบูรณ์แล้วไม่มีความร้อนใจไม่เดือดร้อนใจในภายหลังจึงเกิดในหมู่เทพชั้นปราณีตภิษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่าง เธอทั้งหลายจงเพ่งอย่าประมาทอย่าเป็นผู้มีวิปติสารความร้อนใจในภายหลังเหมือนเทวดาพวกแรกๆเหล่านั้นเลยเทวตาสูตรที่9จบ 10. เวลามสูตร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 ในตระกูลของท่านยังให้ทานอยู่หรืออนาถาบิณิกะขะค่บดีกราบทูลว่าในตระกูลของข้าพระองค์ยังให้ทานอยู่พระพุทธเจ้าค่าแต่ทานนั้นแหลเป็นของเศ้ามองเป็นปลายข้าวกวาน้ำผักดองพระผู้มีพระภาคตรัสว่าค่ะบดีบุคคลให้ทานเศร้ามองหรือปราณี ก, ก็ตามถ้าให้ทานนั้นโดยไม่เคารพไม่ทาความนอบน้อมให้ทาน ไม่ให้ด้วยมือของตนเองให้ทานเหมือนจะทิ้งเป็นผู้มีเห็นผลที่จะตามมาให้ทานในตระกูลที่ทานนั้นนั้นบังเกิดผลเขาไม่น้อมจิตไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีไม่น้อมจิตไปเพื่อนุ่งห่มผ้าอย่างดีไม่น้อมจิตไปเพื่อใช้ยานอย่างดีและไม่น้อมจิตไปเพื่อบริโภคกามคุณห้าอย่างดีแม้แต่บริวารของผู้ให้ทานนั้นคือบุตร ปัญญาธาตุคนใช้หรือกรรมกรก็ไม่ตั้งใจฟังด้วยดีไม่เงี้ยวโสดับไม่ตั้งใจใฝ่รู้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะผลกรรมที่ตนได้กระทําโดยไม่เคารพขหาบดีบุคคลให้ทานเศร้าหมองหรือประนี ก, ก็ตามถ้าให้ทานนั้นโดยเคารพทําความนอบน้อมให้ทานให้ทานด้วยมือของตนเองให้ทานไม่เหมือนจะทิ้งเป็นผู้เห็นผลที่จะตามมาให้ทาน ในตระกูลที่ทานนั้นนั้นบังเกิดผลเขาน้อมจิตไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีน้อมจิตไปเพื่อนุ่งห่มผ้าอย่างดีน้อมจิตไปเพื่อใช้ยานอย่างดีและน้อมจิตไปเพื่อบริโภคกามคุณห้าอย่างดีแม้แต่บริวารของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรพันยาทาตคนใช้หรือกรรมกรก็ตั้งใจฟังด้วยดีเงียโสดสดับตั้งใจใฝ่รู้ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะผลกรรมที่ตนได้กระทำไว้โดยเคารพข้าพ้าบดีเรื่องเคยมีมาแล้วมีพรามณ์ชื่อเวลามะเขาให้ทานเป็นมหาทานอย่างนี้คือได้ให้ถาทองคำเต็มด้วยรูปียะแปดมืนสีพันถาดถาดรูปียะเต็มด้วยทองคำแปดมืนสีพันถาดถาสัมรทกเต็มด้วยเงินแปดมืนสีพันถาดให้ช้างแปดมืนสพันเชือง มีเครื่องประดับทองคำมีธงทองคาคลุมด้วยขข่ทองคำให้รถแ4ด0 0สี่พันคันหุ้มด้วยหนังราชสีหุ้มด้วยหนังเสือโคร่งหุ้มด้วยหนังเสือเหลืองหุ้มด้วยผ้ากำพลเหลืองมีเครื่องประดับทองคำมีธงทองคำคลุมด้วยขข่ทองคำให้แม่โค น, โนม8ปดมสี่พันตัวมีน้ำนมที่รีดและไหลสะดวกมีภาชนะสำริดสาหรับรองรับ ให้หญิงสาว8ปดหมสี่พันคนสวมแก้วมณีและแก้วกุนทนให้บรรลางแปดหมื่สพันที่ลาดด้วยผ้าโกเชาลาดด้วยเครื่องลาาทำด้วยขนแกะสีขาวลาดด้วยเครื่องลาาทำด้วยขนแกะลายดอกไม้ล่า ด, ด้วยเครื่องลาาอย่างดีทำด้วยหนังชมดข้างบนมีเพดานมีหมอนสีแดงวางไว้ทั้งสองข้างให้ผ้าแปดหมืนสี่พันพับเป็นผ้าเปลือกไม้เนื้อละเอียด ผ้าไหมเนื้อละเอียดผ้ากำพลเนื้อละเอียดผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดไม่จำต้องกล่าวถึงข้าวน้ำของเคี้ยวของบริโภคของลิ้มของดื่มไหลออกไปเหมือนแม่น้ำข้าพดีท่านอาจจะมีความคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นเวลามะพร้ามผู้ให้ทานเป็นมหาทานเป็นคนอื่นแน่แท้แต่ท่านไม่พึงเห็นอย่างนั้น เพราะเวลามพรามพูให้ทานเป็นมหาทานในสมัยนั้นก็คือเรานั่นเองแต่ในทานนั้นไม่มีใครเป็นพระทักขินายบุคคลใครๆก็ชำระทักษินานั้นให้หมดจดไม่ได้ขหาบดีการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลพูถึงพร้อมด้วยทิฐิผู้เดียวให้บริโภคมีผลมากกว่าการที่เวลามพรามได้ให้ทานเป็นมหาทาน การที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นสกทาคามีผู้เดียวให้บริโภคมีผลมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิตั้งร้อยให้บริโภคการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นอนาคามีผู้เดียวให้บริโภคมีผลมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นสกทาคามีตั้งร้อยให้บริโภคการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นอรหันผู้เดียวให้บริโภค มีผลมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นอนาคามีตั้งร้อยให้บริโภคการที่บุคคลเชื้อเชิญพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์เดียวให้บริโภคมีผลมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นอรหันตั้งร้อยให้บริโภคการที่บุคคลเชื้อเชิญตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บริโภคมีผลมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญพระปัจเจกพุทธเจ้าตั้งร้อยให้บริโภค การที kids, him, ่บุคคลเชื mm ้อเชิญภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้บริโภคมีผลมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บริโภคการที่บุคคลสร้างวิหารอุทิศถวายสง์ผู้มาจากทิศทั้ง4มีผลมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้บริโภคการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ มีผลมากกว่าการที่บุคคลสร้างวิหารอุทิศถวายสง์ผู้มาจากที่ทั้งสี่การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบทคือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์การงดเว้นจากการลักทรัพย์การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามการงดเว้นจากการพูดเท็จการงดเว้นจากการเสพของหมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท มีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตอย่างน้อยชั่วสุดดมกลิ่นหอมมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานศึกขาบทคือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นนั้นข้าพเจ้บดีการที่บุคคลเจริญอนิจจสัญญาชั่วลัดนิ้วมือเดียว มีผลมาก swamp, กว mm ่าการที่เวลามะครามได้ให้ทานเป็นมหาทานมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฐิให้บริโภคมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฐิตั้งร้อยให้บริโภคมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นสักทาคามีผู้เดียวให้บริโภคมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นสักทาคามีตั้งร้อยให้บริโภค มากวกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นอนาคามีผู้เดียวให้บริโภคมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นอนาคามีตั้งร้อยให้บริโภคมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นอรหันต์ผู้เดียวให้บริโภคมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นอรหันต์ตั้งร้อยให้บริโภคมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์เดียวให้บริโภค มากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญพระอรหันต์ต้องร้อยให้บริโภคมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญตถาคตอรหันตตสัมมาสำมพุธเจ้าให้บริโภคมากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้บริโภคมากกว่าการที่บุคคลสร้างวิหารอุทิศถวายสงผู้มาจากทิศทั้งสี่มากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ มากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบทคือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ละถึงการงดเว้นจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทและมากกว่าการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตอย่างน้อยชั่วสูตรดมกลิ่นหอมนั้นเวลามสูตรที่สิบจบสีหานาทวักที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ซีหนาทสูตร 2. สอุปาทิเสสะสูตร 3. โกทิตะสูตร 4. สมิธิสูตร 5. คันทสูตร 6. สัญญาสูตร 7. กุลลสูตร 8. นวังคุโปสถสูตร 9. เทวตาสูตร 10. เวลามสูตร ตาวาสวัหมวดว่าด้วยสัตวาวาดหนึ่งติทานะสูตรว่าด้วยฐานะสามประการภิกษุทั้งหลายมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปเหนือขวาเทวดาชั้นเดวดึงและมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะสามประการฐานะสามประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่มีความเห็นแก่ตัว 2. ไม่มีความหวงแหน สามมีอายุแน่นอนพิกษุทั้งหลายมนุษย์ชาวอุตรกรุทวีปเหนือกว่าเทวดาชั้นดาวดึงและมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะสามประการนี้แลภิษุทั้งหลายเทวดาชั้นดาวดึงเหนือกว่ามนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปและมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะสามประการฐานะสามประการอะไรบ้างคือ 1. อายุอันเป็นทิพย์ 2. วันนะอันเป็นทิพย์สสุขอันเป็นทิพย์ภิกษุทั้งหลายเทวดาชั้นดาวดึงเหนือกว่ามนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปและมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะสามประการนี้แลภิกษุทั้งหลายมนุษย์ชาวชมพูทวีปเหนือกว่ามนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปและเทวดาชั้นดาวดึงด้วยฐานะสามประการฐานะสามประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้แกล้า้า 2. เป็นผู้มีสติ 3. เป็นผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในชมพูทวีปนี้ภิกษุทั้งหลายมนุษย์ชาวชมพูทวีปเหนือกว่ามนุษย์ชาวอุตรกรุทวีปและเทวดาชั้นดาวดึงด้วยฐานะสามประการนี้แลติฐานสูตรที่1จบ 2. อัอสะขลุงกระสูตรว่าด้วยม้ากระจอกและคนกระจอกภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงม้ากระจอกสามจำพวกคนกระจอกสามจำพวกม้าดีสามจำพวกและคนดีสามจำพวกม้าอาชาในพันดีสามจำพวกและบุรุษอาชาในผู้เจริญสามจำพวกเธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้น ม้ากระจอกสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. ่งม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยเฉาแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวันะไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ 2. ม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยเฉาและสมบูรณ์ด้วยวันะแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ 3. ม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยเฉาสมบูรณ์ด้วยวันะ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 คนกระจอกสมบูรณ์ด้วยเชาแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวันนะไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างนี้แหลคนกระจอกสมบูรณ์ด้วยเชาและสมบูรณ์ด้วยวันนะแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างไรคือพิสษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกละถึงนี้ทุกขนิโรธคามิีปฏิปทาเรากล่าวว่า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 แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงหรือความใหญ่เป็นอย่างนี้แหลคนกระจอกสมบูรณ์ด้วยเชาสมบูรณ์ด้วยวันนะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกละถึงนี้ทุกคนิโรธคามิมีปฏิปทาเรากล่าวว่านี้เป็นเชาของเขา เขาถูกถามปัญหาในอภิธรรมและอภิวินัยก็ตอบได้ไม่จนปัญญาเรากล่าวว่านี้เป็นวั น, นะของเขาและเขาได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศัศบริคารเรากล่าวว่านี้เป็นความสูงและความใหญ่ของเขาภิกษุทั้งหลายคนกระจอกสมบูรณ์ด้วยเชาสมบูรณ์ด้วยวั น, นะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างนี้แหล ภิกษุทั้งหลายคนกระจอกสามจำพวกนี้แหลภิกษุทั้งหลายม้าดีสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. ม้าดีบางตัวในโลกนี้ละถึง 2. ม้าดีบางตัวในโลกนี้ 3. ม้าดีบางตัวในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยเชาวสมบูรณ์ด้วยวันณนะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ภิกษุทั้งหลายม้าดีสามจำพวกนี้แหล ภิกษุทั้งหลายคนดีสจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนดีบางคนในโลกนี้ละถึง 2. คนดีบางคนในโลกนี้ 3. คนดีบางคนในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยเชาสมบูรณ์ด้วยวันณะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ละถึงคนดีสมบูรณ์ด้วยเชาวสมบูรณ์ด้วยวันนะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างไร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 ม้อาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้ละถึง 2. ม้อาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้ 3. มม้าอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้มาาานนนนสมบูรณ์ด้วยเชาวสมบูรณ์ด้วยวันณนะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ภิกษุทั้งหลายม้อาชาในพันดีสามจำพวกนี้แหละภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาในผู้เจริญสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้ละถึง 2. บุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้ 3. บุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้สมบูรณ์ด้วยชาวสมบูรณ์ด้วยวันณะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ละถึง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 เรากล่าวว่านี้เป็นวันณะของเขาและเขาได้จีวรบินฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศร บ, บริคารเรากล่าวว่านี้เป็นความสูงและความใหญ่ของเขาภิกษุทั้งหลายบุรุษอาชาในผู้เจริญสมบูรณ์ด้วยเชาวสมบูรณ์ด้วยวันณะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาในผู้เจริญสามจำพวกนี้แหละอ ส, สัคคลุงกะสูตรที่สองจบ 3. ตัณหาูลกะสูตรว่าด้วยตัณหามูลธรรมภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมมีตันหาเป็นมูลเหตุ9ประการพวกเธอจงฟังธรรมนั้นธรรมมีตันหาเป็นมมลเหตุ9ประการอะไรบ้างคือ 1. เพราะอาศัยตันหาการสแสวงหาจึงเกิดขึ้น 2. เพราะอาศัยการสแสวงหาการได้จึงเกิดขึ้น 3. เพราะอาศัยการได้การวินิจฉัยจึงเกิดขึ้น 4. เพราะอาศัยการวินิจฉัย ชันทราคะจึงเกิดขึ้นห้าเพราะอาศัยชันทราคะความหลงไหลจึงเกิดขึ้นหกเพราะอาศัยความหลงไหลความหวงแหนจึงเกิดขึ้นเจ็เพราะอาศัยความหวงแหนความตรนีจึงเกิดขึ้นแเพราะอาศัยความตรนีการรักษาจึงเกิดขึ้นเก้าเพราะอาศัยการรักษาบาปอกุศลธรรมหลายประการ คือการถือท่อนไม้การถือศัตราการทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาทการพูดขึ้นมืองกูการพูดส่อเสียดการพูดเท็จจึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายธรรมนิตันหาเป็นโมูลเหตุ9ก้าประการนี้แหลตัณหามูลกะสูตรที่สามจบ 4. สัตตตาวะสสูสรว่าด้วยสตาวาท ทิสุทั้งหลายสัตาวาสพบเป็นที่อยู่แห่งสัตว์9้าประการนี้สัตาวาส9ประการอะไรบ้างคือ 1. มีสัตว์ผู้มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันคือมนุษย์บางพวกเทวดาบางพวกและวินิปาติกะบางพวกนี้เป็นสัตาวาสประการที่หนึ่งสมีสัตว์ผู้มีกายต่างกันแต่มีสัญญาอย่างเดียวกัน คือเทวดาชั้นโภมกายิ ก, กาเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่พรหมเกิดในปฐมฌานที่หนึ่งนี้เป็นสัตว์ตาว่าประการที่สองสมีสัตว์ผู้มีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันคือเทวดาชั้นอาภสระนี้เป็นสัตว์ตาว่าประการที่ส 4. มีสัตว์ผู้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือเทวดาชั้นสุภกินหะ เทวดาผู้เต็มไปด้วยความงามนี้เป็นสัตตาว่าประการที่ส 5. มีสัตว์ผู้ไม่มีสัญญาไม่สวยเวทนาคือเทวดาชั้นอสัญญีสัตตพรมนี้เป็นสัตตาว่าประการที่ห้าหมีสัตว์ผู้บรรลุอากาสานัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญา ไม่กำหนดนานาตัณ ญ, ญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นสัตตาว่าประการที่6 7. มีสัตว์ผู้ล่วงอากาสานณจายตนะหชานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณณจายตนะหชานอยู่โดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้นี้เป็นสัตตาว่าประการที่7 8. มีสัตว์ผู้ล่วงวิญญาณณจายตนะหชานโดยประการทั้งปวง บรรลุอากินจัญญายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้เป็นสัตตาวาประการที่8 9มีสัตว์ผู้ล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่นี้เป็นสัตตาวาประการที่เกภิกษุทั้งหลายสัตตาวา9ประการนี้แหลสัตตาวาสัสูตรที่สจบ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 ภิกษุอบรมจิตดีด้วยปัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุอบรมจิตดีด้วยปัญญาว่า 1. จิตของเราปราศจากราคะแล้ว 2. จิตของเราปราศจากโทสะแล้ว 3. จิตของเราปราศจากโมหะแล้ว 4. จิตของเราไม่มีราคะเป็นธรรมดา 5. จิตของเราไม่มีโทสะเป็นธรรมดา 6. จิตของเราไม่มีโมหะเป็นธรรมดา 7. จิตของเราไม่กลับมาในกามาพบเป็นธรรมดา 8. จิตของเราไม่กลับมาในรูปภพเป็นธรรมดา 9. จิตของเราไม่กลับมาในอรูปภพเป็นธรรมดาภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุอบรมจิตดีด้วยปัญญาเมื่อนั้นภิกษุนั้นควรกล่าวดังนี้ว่า